เบื้องต้นนะไม่อย่างนั้นใจสงบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เลยปกติของกิตหรือว่าใจนี่เนี่ยมันถ้าไม่มีสติควบคุมอยู่แล้วมีแต่คิดกับคิดมันถ้าเป็นสัญชาติมันอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแต่เราอาศัยแต่ความคิด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 อยู่ภายในนี้นะ<ม>ให้จําหลักวิชาอันนี้ไว้การภาวนานะถ้าไปทิ้งหลักนี้แล้วไม่ได้รลยภาวนาไม่เป็นนะจิตไม่สงบก็เรียกว่าภาวนาไม่เป็นก่อนอื่นมันต้องทำใจสงบซะก่อนคำว่าผู้ภาวนาเป็นนะเป็งนงั้นไม่ใช่ว่า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 เช่ น, นย่งว่าเพ่งไปเห็นซากศพอยู่ในป่าชานู่นอย่างงี้นะอเมื่อก็เห็นซากศพอยู่ป่าชานู่นแหละแต่มันไม่เห็นอยู่ในใจนี้เป็นอย่างนั้นบาน้านี้การเพ่งไปเห็นซากศพคนตายอยป่าชานี่ยอันนั้นเรียกว่าอนุโลมการน้อมเอาเครื่องหมายของซากศพนั่นมา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 ไม่อย่างงั้นมันจะไม่เห็นแจ้งเห็นก็เห็นมัวมัวไปอย่างนั้นแหละคือมันต้องมาทํากระแสจิตให้มันใสสะอาดซะก่อนอย่างงี้นะหูยังไงมันยังไงกระจกส่องเงาหน้าอย่างงี้นะถ้ามันมีขมเหมวอะไรมาติดเกิดกังเข้าไปแล้วก็มองเงาหน้าก็ไม่ชัดเจนนะมัวมัวอย่างนั้นนหะ ไม่เห็นหน้าได้ทุกกระเบียดนิว้วทีนี้ต่อเมื่อเอาผ้ามาขัดขมเมาที่มันจับอยู่กระจกนั่นออกไปขัดออกไปมัน ก, กระจกนั่นก็สะอาดใสเมื่อขมเมล่ามันออกหมดแล้วกระจกนั่นมันก็ใสแจ๋วเลยแบบนี้นะนั่นเนี่ยพอมองดูหน้าตัวเองก็เห็น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 ก็ไม่มีอะไรหรอกความจริงเนี่ยก็รูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสอันที่น่ารักให้พอใจทต่างๆนี่แหละมันชอบใจหลายอันอันดวงกีดดวงนี้นะมันหลงรักหลงชอบมานับเป็นอเนกชาติแล้วนับชาไม่ท้วนหมายเขาว่างาันลนะที่ล่วงแล้วมานู่นนะ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 การชำระจิตให้สะอาดนี่มันมันมีอยู่สองขั้นตอนนะขั้นแรกนี่เราชำระให้สะอาดด้วยสมาธิหรือว่าถ้าอย่างว่าอย่างหนึ่งก็สามขั้นตอนเลยขั้นที่แรกนี่เราชำระจิตนี่สะอาดด้วยศีล น, นี่เราสํารวมในศีล ไม่ล่วงสิขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่ตนได้สมาทานมาแล้วเมื่อสำรวมระวังไม่ล่วงสิขาบทวินัยน้อยใหญ่เช่นนั้นบาปก็ไม่เกิดขึ้นในใจิตใจนั่นแหละใจมันก็สะอาดมาพักหนึ่งแล้วนะสะอาดด้วยอํานาจแห่งศีล น, นั่นเองว่าใจสะอาดปราศจากบาปอากุศลอย่างเงีบอันนั้นนะ แบบนี้นยังบาปอากุศลอย่างกลางเนเรามาชําระกันด้วยสมาธิแบบนี้นะพยายามทําใจให้สงบดังกล่าวมาแล้วนั่นเลยมีสติเพ่งยังเข้าไปจนถึงจิตคือความรู้สึกนูน่นจิตตั้งอยู่ที่ไหนสติก็อยู่ตรงนั้นสติอยู่ตรงไหนจิตก็ให้อยู่ตรงนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตนั่นนะ เช่นนั้นนะจิตมันจึงสงบอยู่ได้ให้พึงเข้าใจการที่จิตมันสงบอยู่ไม่ได้นั่นก็เพราะสติมันไม่ได้ยังเข้าไปถึงดวงจิตแท้เมื่อสติมันฟูฟูอยู่เนี่ยจิตมันก็คิดลอยไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นแหละสติระลึกไปยังไงจิตมันก็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 ดันั้นให้เพิ่งพากันเข้าใจหลักวิชาอันนี้นะหลักทําใจให้สงบลงนี่มันกระทัดรัดแบบนี้นะแบบเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกแล้ววันนี้เมื่อจิตตั้งลงไปแล้วเราจะเพ่งกรรมฐานอะไรก็เพ่งนี้จะเพ่งอสุภากรรมฐาน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 รูปร่างอันนี้นัไปก่อตั้งขึ้นที่ในท้องของมาดานะนะอมันก็มีน้ําเลือดน้ําเหลืองในหุ้มพ่ออยู่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรอัตภาพร่างกายอันนี้นะเกิดเพ่งดูให้อสุภนิมิตบังเกิดขึ้นในดวงกิดนั้นนี่มันจะได้บรรเทาราคะตัณหาลง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 จะไม่เป็นอาบัติปาราชิกในสิกขาบทที่หนึ่งนั่นแหละหรือจะไม่ต้องอาบัตสังคาที่เศษตั้งหลายข้อทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหาเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าใครไม่มันจเจริญอสุภะกรรมฐานเนี่ยแน่นอนแล้วกิเลสประเภทนี้มันต้อง มีกำลังทีเดียวออผู้เป็นครือหัดเมื่อได้ยินธรรมะบรลยายอย่างนี้ก็นึกว่าอืไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของพระนุนทางห่างไอสุภกรรมฐานเนี่ยเราผู้เป็นครือหัดนี่ไม่จำเป็นต้องมาเจริญหรอกผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นอย่างที่ว่านี่เข้าใจผิดอะ ัวแต่ไม่ได้รักสวยรักงามนั่นแหละคนที่ส่งเสริมความรักความใคร่นี้ให้มากเกินขอบเขตแล้วมันถึงได้ทำบาปครือหัดก็ดีอได้ไปแย่งเอาเมียคนอื่นแย่งผัวคนอื่นอยู่มูนี้มันก็เนื่องมาแต่มันมากมากในกามเนี่ยในความรักความใคร่นี้แหละลงถึงกับได้ฆ่ากันมูนี้นะ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 กลายเป็นบาปอากุศลกลายเป็นกรรมเป็นเวรไปเป็นอย่างนั้นเป็นนักบวชก็ไม่เจริญงอกงามในพรหมจรรย์เลยอยู่ในพรหมจรรย์นี่ไม่ได้ถ้ามากๆเข้าแล้วนะพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้ตลอดนั้น <c oughs> ก็เพราะมันบรรเทา ร, ราคะตัณหานี่แหละไม่ได้ให้เข้าใจกิเลส ต, ตัวอื่นนั่นก็อ ย, อยังชั่วนะ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 ความรักของใคร่นี่นะถ้าหากว่าไม่ระงับมันแหละปล่อยให้มันเกินขอบเขตแล้วมันก็ไปเหได้ทําบาปได้ทั้งบัญญัตชิดทั้งคะเรือหัดทําชั่วได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความโกรธความหลงไปตะพื้นตะพือแหละเมื่อมันรักผิดหวังไปมันก็โกรธพยาบาทคนที่มาแย่งรักของตัวเองนั้น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 รูปเป็นต้นเหล่านั้นไม่เป็นสิ่งสวยงามอะไรเลยตามธรรมดาแล้วนะไม่มีอะไรสวยงามอะ่ะเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงไม่สวยไม่งามมันแปรปวนอยู่เรื่อยนะี่ดูแต่อัตภาพร่างกายนี่อาบน้ำชำระขัดถูด้วยสบู่สะอาดแล้วไปไปหน่อยหนึ่งังเหงือ่อไครไหลออกมาจับอยู่ตาม ขุมขนหมดนั้นเกล็กังจับอยู่ตามผ้านุ่งผ้าหฮมเสื้ออะไรหมดนั้ น, นหน่อยนึงก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาแล้วนั่นนี่แหละของไม่เที่ยงอะ่ะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สะอาดถ้าว่ามันเที่ยงอย่างนี้นะอะเมื่อชาระขัดถูสะอาดแล้วมันไม่ต้องมีเงือใครอะไรออกมาเลย มันก็สะอาดอย่อยางนั้นเรื่อยไปะมันไม่แปรสภาพเป็นอย่างอื่นไปเลยอย่างเนี้ยนั่นแหละเรียกว่ามันเที่ยงนะอืแต่ลองไปหาได้ที่ไหนล่ะในโลกเนี้รูปเสียงกลิ่นรสที่มันเที่ยงยั่งยืนอย่างนั้นมีเหรอไม่มีนั่นแหละจิตใจมันหลงอนะ่ะมันสําคัญผิดมานับอเนกชาติแล้วนะควรจะตื่นตัวกันได้แล้ว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 ตัณหาตามืดมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าตัณหาหน้ามืดนั่นแหละมันตัณหาตาบอดก็ว่าได้ <c oughs> นั่นจึงไม่ควรประมาทควรพากันเจริญอสุภะกรรมฐานนี่เสมอเสมอไปแหละผู้เห็นทุกเห็นภัยในวตะสงสารนี่แล้วนะ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 มันจะมองไม่เห็นหรอกไม่เห็นโทษของความกำหนัดยินดีเหล่านี้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละ <c oughs> องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงเปรียบราคะตัณหาในเหมือนกับไฟเป็นของร้อนที่ทรงตรัสไว้ในอดิตตะปริยย า, าสูตรนั้น ราคคินาโทสกินาโมหคินาไฟคือราคไฟคือโทสไฟคือโมหะแผดเผาจิตใจให้เราร้อนมาในวัฏสงสารอันนี้นับชาตไม่ทูลพาไปตกนรกหมกไหมอยู่ในอบายภูมิก็เพราะไฟสามกองนี้เองพาไปเกิดเป็นเปรต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 แต่ปากนั้นรูรูปากนั้นแคบแคบน้อยเดียวหนึง่งอ่าพอรวมเข็มเล่มหนึ่งนี่แหละจะกินน้ําก็ไม่ได้จะกินข้าวก็ไม่ได้แต่หักหิวอยู่อย่างนั้นหิวแล้วจะกินไม่ได้อ่าได้รับทุกขทรมานอยู่อย่างนั้นนะถราสาริบุตร บินทบาตแล้วเดินตามชายหาดริมน้ำไปไปเห็นเปรตตัวหนึ่งนอนอยู่ริมน้ำแต่กินน้ำไม่ได้เปรตนั่นจึงได้คล่าควรตั้งแต่ชาติก่อนนั้นข้าพเจ้าก็เป็นญาติกับท่านนั่นแหละว่างั้นแต่ว่าข้าพเจ้าทำชั่ว ตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็นเปรตอยู่นี่อไม่ได้ทําบุญทําทานไม่ได้เข้านา้ําเป็นทานเนี่ก็ไปทําชั่วอย่างอื่นเข้าไปตายแล้วก็เลยมาเป็นเปรตอยู่นี่หิวห่วยอยู่อย่างนั้นขอพระคุณเจ้าได้สงเคราะห์ด้วยเถิดท่านพระศาริบุตรท่านจึงได้เอาเข้าว อาหารในบาทของท่านนั้นตักบาตให้แก่พระภิกษุที่เดินตามมานั้นน่เอาใส่บาตให้องค์โน้นบ้างองค์นี้บ้างไปแล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่เปรตนั้นเมื่อเปรตนั้นได้รับอนุโมทนาแล้วกว็จึงพ้นจากความเป็นเปรตนั้นได้บริโภคอาหารอิ่มน้ำสําราญไปได้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 โคนจากสาัตว์ดิเรกชานเอ้าเศษบาปยังไม่สิน้นมาเกิดเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบวิบติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแขนด้วนขาด้วนหรือตาบอดหูหนวกมาจะ ก, กาเนิดนู่นอันนั้นแสดงว่าเศษบาปที่ผู้นั้นทามาติชาติก่อนโน้นมันยังไม่หมดนะ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 การที่บุคคลจะมาขจัดความหลงเหล่านี้ออกไปก็ขจัดด้วยปัญญาวิปัสนาอย่างที่ว่านั่นนะทำใจให้สงบผ่องใสแล้วก็ใช้ปัญญาวิจารณ์ดูสิ่งที่จิตใจมันเกาะมันคล้องมาแต่อเนกชาตินี้นะวิจารณให้ถึงความจริงของมันเลยอย่างนี้มันก็หายสงสัยแลย้ยลงความเห็นเอาว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส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 เมื่อความรู้ยิ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้แหละพอตามันเห็นรูปเข้ามันก็กนดรู้ความจริงของรูปนั้นได้ทันทีมันไม่ทันวิตกวิจารว่าเออรูปนี้สวยงามน่ารักจริงหนาอะไรเนี่ยมันไม่ได้วิตกไปอย่างนั้นหรอกหรือว่ารูปนี่ขี้ร่ายน่าเกลียดหน้าช่างหนอย่างงี้มันมันไม่ได้วิตกไปหรอก เพราะอาศัยความรู้ยิ่ง น, นั้นเป็นสักขีพยานเห็นชัดว่ารูปทั้งหมดนั้น่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชังอะไรหรอกอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปร่พูนแตกดับไปเท่านั้นมันไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้มันไม่มีอะไรยืนตัวอยู่ให้รักให้ชังตลอดไปได้หมายความว่าอย่างนั้น ถึงมันยืนตัวอยู่ให้รักมันกอ็อยู่ได้ช่วระยะหนึ่งเท่านั้นไม่นานแลยรูปนั่นก็แปรปวนไ ป, เ ป, น เ, ปนเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไปแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงได้มีหลายมีหลายผัวสำหรับคเรหันะอา้าวพอได้รูปนี่มาแล้วชมเชยไปนานนานไปสักหน่อยหนึ่ง รูปเนี่ย ส, นนะสัมรุดไปแล้วอืมผิวพรรณวันน่ะอะไรก็สูบซีดไปแล้วอหนังก็เหี่ยวก็ยานไปอย่างงี้นะอะไรอะไรก็สุดโทมไปเบื่อแล้ววะเนี่ยจิตนะไปเห็นรูปอื่นเปลง่งปรังเข้าแบบเกิดชอบใจอา้าวไปแสวงหาเข้าไปแล้วติดต่อเข้าไปแล้วอืเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาขก้นเข้าอา้าว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 มันจะหายหลงหายเมาไปเรื่อยๆไปปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมองให้มองอะไรก็มองถึงความจริงทุกครั้งไม่ได้ติดค้างอยู่เพียงแค่สมมติบัญญัติเท่านี้หนึ่งถ้าว่าปัญญาไม่เกิดแล้วนะมันมันก็ติดอยู่แค่สมมตินั่นแหละจิตใจนี่นะโลก็ส ม, มุติอย่างไร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 รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสท้งหลายเป็นแต่เพียงสภาว ธ, ธ, ธรรมอันหนึ่งหนึ่งอาศัยกันอยู่เท่านั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายออกไปจากกันเท่านี้แหละ เ, เมื่อเมื่อจิตใจมันหลุดพ้นจากสมมติอันนั้นแล้วนะมันก็เห็นไปตามเหตุปัจจัยมันอย่างนั้นสุดท้ายก็เห็นเป็นสภาว ธ, า ธ, ธรรมไปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล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 อย่างที่ชี้แจงแนะนาสั่งสอนมาอย่างว่านี่นหะลบางคนก็อาจจะเห็นว่าเป็นของลึกซึ่งลึกล้ำคำัมภีรภาพมากตนไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามไดออ้จะเป็นนักปวดก็ดีเป็นเครือขัดก็ดีอาจจะเห็นไปอย่างนี้ก็ได้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นของลึก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 ถึงความจริงมันจะปรากฏอยู่อย่างนั้นแต่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เบื่อไม่ได้เพราะว่าราคะตัณหาเนะี่ยมันฉาบพาจิตใจอยู่มันมันมันถึงไม่เบื่อไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเดืองมันนะต่อเมื่อเรามาตั้งอยู่ในข้อปฏิบัตินี่อเอาศีลมาชาระราคะโทสะโมหะยังงาบนั่นให้มันเบาวางออกไป แล้วต่อ น, นั้นก็นเอาสมาธิบะ น, นี้นะทาจิตให้เป็นสมาธิลงไปเพื่อชําระราคะโทสะโมหะอย่างกลางในให้มันเบาลงไปนั่น <c oughs> อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นบะ น, นี้มาชําระราคะโทสะโมหะอย่างละเอียดนี่ให้มันเบาไป ให้มันหมดไปสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาวิปัสสนานี้นี่พระบรมศ า, ศาสตราของเราได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายนะ่ะน้มเอามาปฏิบัติชำละจิตใจอันนี้เป็นขั้นขั้นไปดังกล่าวมานี่นะถ้าบุคคลไม่สามารถที่จะชำละให้ถึงขั้นละเอียดอย่างว่านั่นได้ ก็ขอให้ชำละขั้นยำหยาบนี่นะให้มันดับไปให้ได้นี่ทำศีลให้บริสุทธิ์ได้แล้วนี่มันก็ทำให้ราคะโทสะโมหะยงหยาบเนี่ยดับลงไปเมื่อกิเลส ย, ยงหยาบนี่ดับลงไปแล้วถ้าเป็นครือข่าผู้ครองเรือนก็จะมีศีลห้าบริสุทธิ์เลยจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย จะไม่กล่าวมุสาวาจะไม่ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดไท่โทษทุกชนิดแม่ตะบุรีนี่ก็เว้นได้เลยผู้อบรมปัญญาให้บังเกิดขึ้นดังกล่าวมานี่นะเพราะว่าบุรีนี่มันก็มีแต่โทษนะไม่มีคุณแม่แต่น้อยเดียวเลย พวกนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหลายเขาก็วิจารวิจัยกันพอแรงแล้วเห็นว่าให้โทษบุรีเนี่ยไม่ได้ให้คุณเลยเนี่ยเพราะมันมีธาตุอะไรต่ออะไรตามชื่อแพทย์ของเขานะผสมอยู่ในเส้นยานั่นนะแต่เราก็จำไม่ได้ชื่อยาตัวยาอันนี้นะ นั่นแหละตัวยาอันนันหละมันเป็นมันมีพิษอะ่ะมันไปนทำลายตับทำลายปอดทำลายอะไรต่ออะไรอยู่ในอวัยวะร่างกายภายในนูน่นให้เสื่อมโมลงไปอะ่ะเหตุ น, นะนั้นคนผู้สูบบุหรี่จะจัดนะจึงเป็นโรคปอดปอดเสียเป็นอย่างนั้นตัดทอนสุขภาพ ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าตายพรส่งผู้ใดติดของเสพติดให้โทษเหล่านี้อายุสั้นไม่ยืนยาวนานไปได้เท่าที่ควรเลยถึงถึงบุญวาสนายังไม่หมดก็าตายเพราะตนเองนั่นแหละทำลายตัวเองนะเรื่องมันนะแต่ถ้าว่าป้องกันสิ่งที่มีพิษต่ตอร่างกายนี้ได้ เอาบริโภคตั้งแต่อาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนี่เสียสิ่งใดที่มันเป็นโทษต่อร่างกายนี่อย่าเอามาบริโภคอย่างนี้แล้วนะมันก็จะมีอายุยืนยาวนานไปจนตลอดถึงอายุไขให้พากันเข้าใจเมื่อมันหมดบุญวาสนาลงเมื่อใดนะมันถึงตายเองแบบนั้นนะ แต่ถ้าว่าบุคคลนี่รู้อานาจแก่ราคะตัณหาอย่างที่ว่านี่นะอรู้อํานาจแก่ความหลงความเมาเหล่านี้แล้วไปเอาสิ่งที่มีพิษมีโทษ ต, ต่อร่างกายมาบริโภคเข้าไปอย่างนี้มันจะไปอายุยืนไปถึงอายุไขได้อย่างไรลูกนั่นแหละถึงกรรมเวรแต่หนหลังไม่มี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 แต่ถ้าว่าตนไม่ได้ทำบุญกุศลเพียงพอมาต่ชาติก่อนแล้วมันจะไม่ได้เกิดมาเป็นคนนี่เลยจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันนู่นอย่างงี้แหละที่เราเห็นกันอยู่นั่นแหละเ <c oughs> <c oughs> มื่อไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกาันแล้วก็ไม่ได้ประกอบกุศลคุณงามความดีอะไรก็พ้นทุกไปไม่ได้นะอ่ตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนั้นแหละด้วยอำนาจแห่งความหลงความเมา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 หรือว่าเป็นเครหัส่ผู้คลองเรือนก็มาทำบุญให้ทานเพิ่มเติมเข้าไปอีก <c oughs> บุญกุศลบารมีก็มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับไปนี่อันนี้ก็เป็นวงจรนี่นะนี่วงจรฝ่ายกุศลนะ่ะถ้าว่าผู้ที่มาเจริญสมาธินี่ไปจนได้บรรลุฌานสมาบัตแปดแบบนี้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 เมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงอ่ะได้บรรลุโสดาบันกันเยอะบางคนก็ได้บรรลุโสดาบันไปอย่างนั้นจนตลอดหมดอายุสังขารไม่สามารถจะบรรลุขั้นสูงขึ้นไปได้ก่อนตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์วะนี่พวกพระโสดาบันนี่นะส่วนมากตําราท่านกล่าวไว้ว่าไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นแหละพวกพระโสดาบันนี่นะที่ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิงมืูนีกะมี หรือว่าชั้นสูงเงินไปคนนั้นก็มีท่านก็บำเพ็ญอยู่ในสวรรค์นั่นแหละเพราะว่าเป็นพระอริยะบุคคลแล้วนั้นท่านไม่ลืมตัวหรอกแม้จะได้เสวยสมบัติอเป็นทิพย์ก็ไม่หลงไม่เมาเกินขอบเขตไม่เหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญผู้ไม่ได้มักได้ผลนั่นพอได้ไปเห็นสมบัติทิพย์อันสวยสดงดงาม อย่างนั้นก็หลงก็เมาไปเมี้ยเสียแต่ผู้ไดบำเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาตั้งแต่เป็นมนุษย์นุษย์อยู่เนี่ยแต่ไม่ได้มักผลในตอนเป็นมนุษย์นี่เมื่อตายไปเกิดสวรรค์นี่มันไปเห็น ส, สมได้เสวยสมบัติทิพย์อันมโหฬารอย่างไงมันก็ไม่หลงไม่เมาเพราะว่ามันได้เจริญไตรลักษณะญาณ ปรากฏอยู่ในใจแล้วถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยอเมื่อไปเห็นสมบัติทิพย์มันก็มองเห็นแล้วว่าไอ้ของเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าเราก็ยังละมันไม่ได้ก็ต้องาอาศัยมันก่อนอผู้ผู้มีปัญญานะก็ย่อมรู้เท่าไว้อย่างนั้นแหละได้อาศัยมันไปอบำเพ็ญจิตตะภาวนาไปอยู่วนสวรรค์ก็ดีย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 ก็อาจจะไม่ได้กลับมาเกิดในโลกนี้อีกเลยจะนิพพานอยู่บนสวรรค์หรือพรห ม, มโลกนู่นอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่น ะ, ะก็ขอให้พากันเข้าใจนับว่าไม่ไม่เรียกว่าไม่เสียเวลาเปล่าๆหรอกเวลาเป็นของมีค่าเหลือเกินสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี่นะโดยเฉพาะเรื่องผู้มีศีลแหละ เมื่อผู้มีศีลแล้วไม่ทําชั่วด้วยกายด้วาจาแล้วอย่างนี้เวลาใดก็เป็นเวลามีคุณค่าแห่งชีวิตของผู้นั้นชีวิตของผู้นั้นไม่เป็นหมันเลยเนียกว่าเป็นบ่อบุญก็ว่าได้ไปกายวาจาใจนี่นะเมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วนะทําอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปหมดเลย อ, อ่เพราะว่าเราเรา เว้นจากการกระทำสิ่งที่เป็นบาปแล้วนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทำสิ่งใดนอกจากนั้นมันก็เป็นบุญไปหมดเลยแหละแม้จะทำนาทำสวนก็ตามเป็นเครื่อหัดนะทำนาก็ทำอย่างที่บุคคลที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำบาปเมื่อได้ข้าวมาแล้วก็เอาเข้าวนั้นมาให้ทานเข้าไปอย่างนี้นะนั่นมันก็ร่วนแต่เป็นบ่อบุญทั้งนั้นเลยแม่ทำสวนทำการค้าขายอะไร ทำราชการงานเมืองทำการช่างต่างๆหมดนี้ถ้ายึดศีล น, นี่เป็นเครื่องดำเนินแล้วล้วนจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยทำอะไรได้เงินได้ทองมาแล้วเราก็เอามาทำบุญทำทานมาธนุบำลุงพระพุทธศาสนานี้ไปแล้วก็มาเลี้ยงอัตภาพตัวเองเลี้ยงครอบครัวไปอย่างนี้นะ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 แต่ถึงกันนั้นมันก็ยังสู้เครื่องประดับคือศีลไม่ได้เพราะว่าเครื่องประดับอันมีราคามากต่างๆในโลกอันนี้นะมันสวยงามแต่เวลายังมีชีวิตยอยู่นี้เท่านั้นแหละเมื่อตายลงไปแล้วมันไม่ได้ติดตามไปเลยนะของเหล่านั้นนะแต่ศีล น, นี่บุคคลได้บาเพ็ญให้เกิด ใ, ให้มีขึ้นในตนแล้วมันจะติดตามผู้นั้นไปเหมือนเกเงาตามตัวนี่เมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็ ศีล น, นี่แหละเป็นญานพาหานะนําไปเกิดในที่มีความสุขความสบายมีสวรรค์เป็นต้นอย่างนี้นะหนูนส่งไปเรื่อยๆหนูนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นจนเต็มบริบูรณ์แล้วก็สามารถได้บรรลุซึ่งถึงซึ่งพระนิพพานได้ก็เพราะมีศีล น, นี่แหละมันหนูนเนื่องให้ทําความดีต่างๆจนตลอดถึงเจริญปัญญาวิปัสนา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 มีคุณค่าต่อชีวิตของเราอย่างมหาศาลดังได้อธิบายให้ฟังมาโดยลำดับนี่แหละเริ่มต้นมาตั้งแต่แนะนำให้เจริญอสุภะกรรมฐานนั่นจำเอาไว้เมื่อมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่สวยไม่งามแล้วมันก็คลายความรักความชังลงไปได้